เรืองช่วยขโมยเวลาจำวัดอยู่ในกุฏิของท่านที่วัดระฆังนั้นเจ้าขโมยเจาะพื้นกุฏิลวงเอาข้าวของที่วางเกลื่อนไว้เจ้าขโมยล้วงไม่ถึงท่านก็ช่วยเอาไม้เขี่ยวของนั้นๆเข้าไปให้ใกล้มือขโมยเจ้าขโมยลักเข็นเรือใต้ทุนกุฏิท่านก็เปิดหน้าต่างสอนขโมยว่าเข็นบเบาๆนิจ้ะ ถ้าดังไปพระท่านได้ยินเข้าท่านจะตีเอาเจ็บเปล่าจ้ะเข็นเรือบนแห้งเขาต้องเอาหมอนรองข้างท้ายให้โดงก่อนจ้ะถึงจะกลิ้งสะดวกดีเรือก็ไม่ช้ำไม่รั่วจ้ะเจ้าขโมยเกรงใจไม่เข็นต่อไป